ลูกหลานที่รักตอนนี้เรื่องราวของโรรรมโหสถบัณฑิตเขาผ่านไปแล้วจบไปหนึ่งเรื่องเขาจริงหลายเรื่องมาแล้วนะมาตอนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องโพริทัศ น, นั้นว่าสมัยนั่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบา ร, รมีในด้านบ ร, รมัทธบา ร, รมี เกิดเป็นภโพลิทัศตโพลิทัศน์เห็นว่เป็นนาคเป็นนาคเชื่อโพลิทัศน์ตามตำนานและตามชาดกนะไม่ใช่ตำนานชาดกนี่เป็นเรื่องที่องค์สมเดมม็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดเองในที่ประชุมข้องสองแท่งกล่าวมาว่านานมาแล้วสมัยรพระเจ้าพรหมไท์ครองเมืองพาราณสี คำว่าชื่อเมืองนี้ลูกหลานที่รักมันก็ซ้ําๆกันพระองค์เร่ทรงพระราชทานตาแหน่งอุปราชให้แก่พระราชโอรสแต่ต่อมาภายหลังทรงระแวงพระทัยว่าพระราชโอรสจะชิงพระราชสมบัติจึงรับสั่งให้เข้ามเาเฝ้าแล้วก็ตัดว่าเจ้าจงออกไปอยู่ประเทศใดประเทศหนึ่งก็าตามใจสมัคร เมื่อสินอายุพ่อแล้วจึงกลับมาครองได้สมบัติสืบ ต, ต่อไปราชโอรสรับแระแสพระบรมราชโ อ, องค์การแล้ว ก, กราบถวายบังคมลาพระเดช ด, ดำเนินจนไปถึงแม่น้ำยุมนาได้สร้างสลาขึ้นหลังหนึ่งระหว่างแม่น้ำยุบนาและทะเลกับภูเขาต่อกัน อาศัยผลไม้เลี้ยงชีพ้วยความจริงนี่พระราชโอรสจะขบดหรือไม่ขบฏก็ไม่แน่แต่ว่าพระองค์ก็แทนที่จะจับกลับทําอย่างนั้นเพราะว่าพันอย่างน้อยที่สุดพระราชโอรสก็ยังมีโอกาสที่จะครองพระราชสมบัติต่อไปเองกล่าวว่ามีนางนาคตนหนึ่งเป็นนาคทะเลสามีตาย เมื่อเห็นนางนาคอื่นๆเขามีสามีอยู่ด้วยก็เกิดความว้าวีจึงได้ออกจากเที่ยวสืบไปตามชายฝั่งทะเลพบรอยเท้าราชบุตรเข้าจึงสะกดรอยไปจนพบสลาเวลานั้นราชบุตรไม่อยู่นาง น, นาคเข้าไปในสลาเห็นเครื่องปูราดบริการอื่นๆ จึงตั้งข้อสังเกตว่าสลาหลังนี้น่าจะเป็นที่อยู่ของนักบวชรูปหนึ่งนางยิงคิดจะทดลองดูว่าพอรู้ว่านักบวชรูปนี้จะบวชด้วยศรัทธาหรือว่าถ้าบวชด้วยศรัทธาก็จะมีความหนักแน่นไม่ยินดีในที่นอนที่ตกแต่งแล้วได้วยดีนะไม่ล่ะเข้ามาลองนะถ้าบวช อ่าถ้าไม่บวช ด, ด้วยศรัทธาก็ยัง น, นอนลงบนที่นอนที่แต่งตกแต่งไว้แล้วดีสวยสวยสดงดงามแล้วนานงเจงจะได้เล่าลมเอามาเป็นสา ม, มีเสียเลยอย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันนี่นะไม่ต้องลงทุนไปเกี่ยวให้ลําบากเข้ามาสมัครนี่มันคนดีเหมือนกันแต่หลวงปู่ไม่ไหวนะถ้าใครเขาจะเชิญเป็นสา ม, มีนี่ไม่ไหว ไม่ไม่ทางสู้แล้วเพราะว่าเขาก็เสียนเ่นานแล้วเรื่องมีโผไมมีเมียเนี่ยนานหน้าก็นําเอาดอกไม้เครื่องประดับแล้วนําหอมมาจากหน้าข บ, บีพบโรปรยรายพรมลงไปในที่นอนเสร็จแล้วก็กลับไปฝ่ายพระราชาบุตรกลับมาตอนเย็นเข้าไปในสไลห็นผิดปกติ ยิ่งคิดสงนใจสเสวยผลไม้ปรางชมไปปรางข้าที่ตนไม่ไดีบ่ได้ศรัทธาบรรทมหลับตลอดคืนได้ความพอใจจนรราที่ขึ้นลูกจากที่นอนยังไม่ทันจะแปลกกว่าก็รีบเสด็จไปเข้าป่าหาผลไม้มากินต่อไป ฝ่ายนานาคกม่อเห็นดอกไม้เหี่วแห้งก็เข้าไปอะเหิวแห้งนะเดี๋ยวก่อนฝ่ายนานาคเมื่อมาเห็นดอกไม้เหี่วแห้งหิวแห้งไปแล้วก็เข้าใจชัดว่านักพรตคนนี้ไม่ใช่นักบวชที่บวชไม่ได้ศรัทธาจริงยังยินดีในกามารมณ์อยู่มากเห็นไหมนี่เป็นเครื่องวินิจฉัยนักบวชลูกหลานที่รัก ถ้านักบวชท่านใดยังพอใจในลาบยังพอใจในยศถาบรรดาศักดิ์นักบวชผู้นั้นยังไม่ใช่นักบวชที่แท้จริงแต่ว่าก็จะไปตนนําหนิท่านที่มียศถาบรรดาศักดิ์ทุกองค์เพราะว่าบางองค์ท่านก็รับมาด้วยความจําใจ เพราะมีคนเขาถำไหวมีคนก็ให้ท่านก็รับรับแล้วก็ไม่ถือตัวไม่ถือตนไม่เมายศถาบรดาศักนักบดประเภทนี้เป็นนักบดดีขอลูกหลานที่รักจงสังเกตอาการเขาไว้ถ้านักบดพูดใดยังเมาในลาบสการะยังมีการสะสมทรัพย์สินเป็นของตนแล้วก็ยังเมาในยศถาบรดาศักนักบดประเภทนี้ไม่ไหว้ซีก็ยังดีไหวแต่มันเสียมือ ถ้านักบวชผูดด้ใดได้ราบเสกาละมาแล้วทำงานเป็นสาธารประโยชน์สงเคราะห์คนที่ยากจนสงเคราะห์สถานที่อยู่คืออาคารสถานที่ของสองฆ์แล้วก็ถ้าได้รับยศมาแล้วก็ไม่ถือยศเป็นสาคัญเดิมเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเป็นกันเองเสมอนักบวชผู้นี้ไหวได้ไหวเต็มที่เพราะว่าท่านดีเราเรื่องกันต่อไป นางน่าคิดว่าท่านผู้นี้ยังยินดีด้วยการมารมไม่ได้โบสถ์ศรัทธาเจงเก็บเอาของเก่าทิ้งแล้วก็นำของใหม่มาประดับประดาอีกเมื่อเสร็จแล้วก็กลับไปในวันนั้นพระราชบตรก็บรรทมบนดอกไม้หลับไป็นู่รงงเชา้าทรงคิดว่าใครหนอมาทำให้เราชช่นนี้ วันนั้นจึงไม่เสด็จไปหาผลไม้ต่อมาก็ไปยืนกำบังอยู่ในที่ไกลๆคือที่ไกลสลาที่พักฝ่ายนานหนาก็เตรียมดอกไม้และของหอมมาอย่างสลานั่นอีกพระราชบุตรเห็นรูปทรงอังงดงามของนาง น, นาคก็เกิดความรักใคร่เพราะว่าเวลาน า, นานหนาที่เอขึ้นมานี่ก็าแปลงเป็นคนนะ นาคนี่เป็นนาคพิเศษไม่ใช่งูธรรมดาเขามีเครื่องทิศย์เป็นที่อยู่คือหมายถึงว่าคนที่บินมีบุญบรารมีแต่ว่าบุญมันน้อยไปอย่างพยาเอกระปัตนาคราชพญาเอกระปัตนาคราชนี่เคยโบวถเป็นพระจำบรรสาเจริญกรรมฐานมาอยู่สองหมื่นปีอยู่ใกล้ทะเล วันหนึ่งเราไปอาบน้ําเห็นเรือสมพาวแล่นมาเห็นไอ้ลมมันอ่อนเรือสมพาวแล่นช้าๆพัดลมอ่อนแต่ใคล้น้ํามันยาวเพราะเรือสมพาวไม่ได้ขึ้นคานนานท่านก็โผไปเกาะตะไคร่น้ําเรือสมพาวก็ลากตัวท่านไปตัวท่านมีน้ําหนักตะไคร่น้ํามั น, น, ก, นมก็หลดุดโทษพบพลากของเขียวเห็นไหม โทษพระภาคของเขียวให้หลุดจากพื้นที่โดการเล่นท่านไม่มีโอกาสที่แสดงอันบัตรเป็นอับบัตรปาจิตตีโทษเพียงเท่านี้แทนที่ท่านจำบรรสารักษาสินมั น, นานที่จะเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมท่านก็ต้องกลับไปเกิดเป็นสัติระชนันคือเป็นพญานนาคแต่ว่ามีวิมานเป็นทิพมีทุกเสี่ยงทุกอย่างเป็นทิพ รูปร่างของท่านเหมือนกับตะไคร่น้ำจึงมีนามปุพยาเอกปัตนาคราชเห็นานางหน้าตัวนี้ก็มีสภาพเหมือนกันเห็นแม่ลูกหลานที่รักพระนี่เป็นแต่พระข อ, ของเขียวเพื่อนเล่นเท่านั้นก็เกิดเป็นสัตติเดชานถึงแม้ว่าจะมีที่ประสมบัติตัวเองก็เป็นสัตติเดชานแต่พระดา้ยาวัดไม่มีไม่มีโทษมีคุณเพราะว่าทำวัดให้สะอาด ทำความมั่นคงให้เกิดกับสถานที่อย่างนี้เป็นการดีเพราะนางนาเข้าไปในสลาขณะที่กําลังจะประดับและตกแต่งพื้นที่ที่นอนนั้นพระราชบุตรก็ย่องเข้าไปแล้วก็ถามว่าเจ้าชื่ออะไรนางนาจนึงตอบว่าฉันชื่อว่านาคมาลวิกาเจ้าค่ะ พระราชบุตรจินิถามว่ามีสา ม, มีแล้วหรือยังขณะน า, น, า น, น่าก็ตอบว่าขณะนี้ดิฉันเป็นไม้เจ้าค่ะกำลังอยากจะหาผัว al, ความจริงที่สือก็ไม่บอกอย่างนั้นนะนะต้องปู่ต่อเองเธอตอบว่าขณะนี้ดิฉันเป็นไม้เจ้าค่ะแล้วท่านเจ้าค่ะเดิมอยู่ที่ไหนแล้วก็ชื่ออะไรพระราชโอรสดำบท ดาบทจำเป็นยังได้ตัดว่าเราเป็นโอรสของพระเจ้าพรทมทัศทำไมจึงได้เที่ยวมาที่นี้เราท่านตอบนะท่านตอบว่าเราเนี่เป็นโอรสของพระเจ้าพรทมทัศแล้วเจ้าทำไมเจ้าจึงได้เที่ยวมาในที่นี้เราอยากจะทราบนางหน้าก็ตอบว่าดิฉันเห็นเพื่อนเขามีสามีกินอยู่ด้วยกันมีความสุข ก็รู้สึกว่าเวอยากจะได้สามีบ้างยังเที่ยวมาแสวงหาอยู่เช่นนี้คืออยากจะได้ผัวเจ้าค่ะว่ากันง่ายงถ้าราชดาบทจำเป็นที่นี้กล่าวว่าดูก่อนนางผู้เจริญถ้ากะนั้นก็ดีแล้วเราเองก็ไม่ได้บทด้วยศรัทธา พระราจวินดาขับไล่ให้มาอยู่ที่นี่เรายินดีที่จะเป็นสามีของเจ้าโอ้มาสะดวกจริงๆนะเราทั้งสองจะอยู่ที่กันในะที่นี้ต่อไปนางหน้าก็ตกลงโอ้โหไม่ง่ายจริงๆสะดวกสะดวกยังนี้หวานเจียวไม่ต้องสืบประวัติกันความจริงการสืบประวัติก็ไม่มีประโยชน์ความประสงค์มีอย่างเดียวคือกามารมก็ <c oughs> ไปนะลูกหลานที่รัก ลุงปู่เป็นวัดลุงปู่ไม่มีเวลาพักผ่อนมันเหนื่อยตลอดปีไอ้โรคที่มันจะเพิงมีก็มันก็เลยไม่รู้จักหายก็ช่างมันไปนไรนะอะไรก็ตามถ้าจะเป็นประโยชน์กับลูกหลานลุงปูน่นอายุเหลือน้อยแล้วถ้าจะหวงชีวิตไวจะพักผ่อนก็ไม่เกิดประโยชน์ทั้งเวลามันก็ตาย เ็นอนุว่าทั้งสองตกลงกันแล้วนะนางนนางนาง่นานยอมตกลงมันก็ง่ายดีอยู่ด้วยกันสองคนเนี็ยเขาเรียก ว, วิวาหะวิวาผีนี่แต่ว่าวิวาประเภทนี้เขาเรียก ว, ว, วิวาจำเป็นคือต่างคนต่างจำเป็นคนหนึ่งมาหาแสวงหาสา ม, มีด้วยจำเป็นเพื่ออยากจะได้ อีกคนก็บทนิจําเป็นเมื่อต่างคนต่างตกลงกันได้ก็โอเคเป็นสามีพัญญาคันตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไปต่อตามานานาควีกาก็ประสูติพระโอรสองค์หนึ่งชื่อว่าสาครพรมทัตมีลูกขึ้นมานะให้ชื่อว่าสาครนพรมทัตพรมทัตนั้นเป็นเชื่อสายเดิมของสามีสาครนในหมายที่ไม่น้ํา หมายความเจ้าเด็กคนนี้มันก็เกิดในระหว่างคนบนบกกับคนในน้ําเพราะว่าประสูติที่ฝั่งแม่น้ําขั้นต่อมาก็ประสูติที่ใดองค์หนึ่งมีชื่อว่าสมุทชาเพราะประสูติที่ริมฝั่งมหาสมุทรห้เม่น้ํานี่ก็หมายความเป็นเม่น้ําลําคลองที่อยู่ภายในสมุทรที่มหาสมุทรคือเป็นทะเลใหญ่ ให้ชื่อตามกระแสนั้นเป็นมิตรต่อมามีพรานป่าชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งท่องเที่ยวมาจนถึงที่สลานั้นราชบุตรจัดการต้อนรับพรานป่าจำพระาชบุตรได้จึงขออาศัยอยู่สองสามวันและทูลลากลับไปเมืองพาราณสีพอดีพระ้ากรุงพาราณสีสวรรคตค หู้อหมายก็ได้จัดการปรงพระศพเสร็จแล้วจึงประชุมประสาจึงประชุมประากันว่าพระราชสมบัติคายกษัตริย์ปกครองจะดำรงอยู่ไม่ได้พระราชบุตรก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดจะมีประชชนอยู่หรือไม่ก็ไม่ทราบขณะที่อำหมายประศากันอยู่นั้นก็พอดีผ่านการป่ากลับไปถึงพระนคร ยิงข้าไปเล่าเรื่องที่ตนได้พบพระราชบุตร้าหมาตฟังบรรดาหมา จ, จึงได้รางวัลให้พาไปเฝ้าพระราชบุตรและก็ทูลเชิญให้ครองราชสมบัติต่อพระวิดาฝ่ายพระราชบุตรใคร่จะรู้ใจนางนาครวีกายิงข้าไปหาแล้วแจ้งเรื่องให้ฟังพร้อมกับชักชวนานางไปด้วย นางนาคธวีกาจึง้ตอบว่าน้องจะไปเมืองพาราณสีกับพี่อาติษฐามว่าน้องจะไปเมืองไปเมืองพาราณสีกับพี่หรือไม่นางนาคธวิกาก็ตอบว่าหม่อมฉันไม่กล้าตามเสด็จไปพิจักข่ะพระสวามีจึงถามว่าเป็นมาเหตุใดเทก็ตอบว่าเพราะหม่อมฉันเป็นชาตินาคมีพิษร้ายมักจะฉนเฉียว เมื่อมีเหตุเล็กน้อยมากระทบกระเทือนใจก็ไม่จะโกรธการอยู่ร่วมกับหญิงหลายคนที่ร่วมผัวเดียวกันเป็นเรื่องหนักใจมากถ้ามอมฉันได้เห็นหรือได้ยินเหตุการณ์ที่ทําให้โกรธแล้วก็อาเ จ, จ็ดเออโทษแล้วนะหากหมอมฉันโกรธถ้าถาลึงตาดูก็จะพากันย่อห ย, ยับไปหมด ด้วยเหตุนี้แหละหม่อมฉันจึงไม่กล้าตามเสด็จไปพิจาค่ า, านี่ความจริงเหตุผลนางนาคคฤหกาเนี่ยลูกหลานที่รักก็น่าจะรับฟังไว้ว่าเราควรจะรู้ตัวเราว่าเราเหมาะสมกับสถานที่ในในการที่จะไปย่้อย่้อย่ยกันน่ะทั้ ง, ท, ง, ท, งที่เราไม่เคยทำงานแม้แต่เป็นเสมียน เราคิดว่าจะทำอะไรนะั้นมันคิดได้แต่ทำจริงๆแล้วมันลำบากเพราะประสบการณ์มันมีมากในความจริงพระราชโอรสของพระเจ้าพระราณศีนี่ก็น่าสันเริญเมื่อพระราชวินดาให้ออกจากเมืองท่งานก็ออกแทนที่จะมาซ่องสมผู้คนผู้แย่งสมบัติจากพระราชวินดาก็ไม่ควรทำฉะนั้นเหตุผลของคนสองคนนี้หลูกหลานที่รัก ฟังแล้วก็จงอย่าฟังแต่เรื่องเอาเหตุผลของคนสงคนนี้มาเป็นเครื่องปฏิบัติเพราะสองคนนี้เป็นคนดีทั้งคู่ราชโอรสก็มีความกระตัญยูรู้คุณบิดามันดาไม่กล้ากระทําสิ่งที่ไม่สมควรสําหรับนางนาครวีกาก็รู้จักปัญญาใช้พิจารณาจริยาของตนว่าตนเองนี่เป็นคนเลิดร้อน ตามธรรมดาพระราชาต้องมีบริวารมากมีสตรีมากอาจจะมีเมีย ม, มากถ้าดีไม่ดีถ้าเธอไม่ชอบใจเพียงแค่ถึงตายอย่างเดียวคนนั้นก็จะตายไปตามๆกันนางยิงคิดว่านางไม่สมควรจะไปอยู่ร่วมกับพวกบคุบคคลทั้งหลายเหล่านั้นนี่เราต้องใช้ปัญญาแบบนี้นะอย่าทำอะไรตามใจคิด จงทดลองถ้าเราจะคิดว่าเราจะทางานใหญ่ปกครองประเทศก็ลองปกครองคนในบ้านของเราดู ก, ก่อนถ้าราะยติว่าคนที่ทําเขาทํางานบริหาร ง, งานโทษประเทศไม่ดีเราก็ยังดูในห้องนอนของเราไอห้องนอนของเรามันเล็กนิดเดียวมันเรียบร้อยตลอดทุกเวลาห ร, รือเปล่าถ้าห้องนอนของเรายังรุงรังไม่เรียบร้อยก็เยบิติคนอื่นเขา เพราะแค่ห้องนอนเล็กนิดเดียวเรายังทำให้เรียบร้อยไม่ได้ชั้นใดแต่การปกครองคนทั้งโทรประเทศจะทำให้มันเรียบร้อยตามใจเราเนึกแม้มันไม่ได้สิ่งที่หนักที่สุดไม่ใช่วัตถุที่เราจะต้องหนักใจที่สุดก็คือกําลังใจของคนเรื่องคนนี่คบยากเอาใจยากตอนหน้ามาพรับรับหลังตะโก บางทีต่อหน้าคนใดที่ประจบซอพหรอมาใส่ร้ายไปสีคนอื่นววาคนคนนั้นลูกหลานที่รักจงลงไหมเหตุไว้ก่อนว่าเขาคือคนชั่วถ้าคนดีนี่เขางานเป็นสำคัญไม่ใช่การประจบซอพหอเป็นสำคัญต่อไปลูกหลานจะต้องเป็นผู้บริหารประเทศ จงจำไว้ให้ดีว่าคนดีนี้ไม่มีการไปจบเขาถืองานเป็นสำคัญพิจารณาผลงานเป็นใหญ่ถ้ารับราชการก็ต้องทำราชการให้ดีตามหน้าที่ของตนเจะเป็นข้าราชการทรายชนอยากจะได้เงินเดินขึ้นอยากจะได้ยศฐานบรรดาศักดิ์แต่งานไม่ทำ เราจึงมีความรู้สึกไว้เสมอว่าเรารับราชการนี่เราเป็นลูกจ้างของรัศดรรัศดรนี่ก็หายเช้ากินคำ่ำบางทีภาษีก่อนที่จะต้องเสียเข้ามาต้องหยิบต้องยืมเขาต้องเป็นหนี้เข้ามาเขาอุตส่าห์ให้เราเข้ามาเราเป็นลูกจ้างเขาเรามีความสุขกว่าเจ้านายและก็จงทำงานทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คิดดีพูดดีทำดีตามระเบียบวินัยทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมคือทรงพอมีหานสี่มีความรักมีความสงสารไม่ฉานิยาใครมีความอดทนอดทนเบกขาเนะ่กลั้นใจถ้าอะไรไม่ชอบใจนิ่งไว้ก่อนอย่าเพิ่งวู่วามและยนละความชั่วสี่ประการคือฉันทากติดำเอียงเพราะความรัก โทสังคติลำเอียงเพราะความโกรธโมหกติลำเอียงเพราะความหลงพยาคติลำเอียงเพราะความกลัวไอ้ น, นี่หลวง ป, ปู่จะยังไม่ธิบายอธิบายมันจะยาไปทําใจได้อย่างนี้เราเป็นคนดีข้าราชการที่เลวก็เพราะว่าไม่ทรงคุณธรรมสี่ประการเบื้องต้ น, ตนแล้วก็ไม่ละเว้นความชั่วสี่ประการเบื้องหลังเขาจึงเป็นข้าราชการเลว เป็นคนที่ควรจะเก็บเสียด้วยอำนาจของสันติเวลานี้เป็นเวลาที่ประเทศชาติเราจะก้าวเข้าไปสู่ความเจริญช่วยกันเก็บคนชั่วเสียหมดแต่ว่าอย่าฆ่านะอย่าทำลายชีวิตอย่าตัด ก, กำลังของประเทศวิธีเก็บก็เก็บด้วยสันติวิธีดูตัวอย่างมหาธรรมคันธี สมัยที่อังกฤษฑาองครองประเทศอ่าเมาทศอินเดียมหาธรมะครันทีท่านต่อสู้ด้วยสันติวิธีคือเอาความดีเข้าสู่และวิธีนี้ถ้ามีโอกาสเราจะคุยกันมันเป็นเรื่องไม่ยากเอากันจริงๆเสักพักเดียวพอเดี๋ยวก็ราบคราบข้าราย ก, การชั่วก็หมดตัวไปเพราะว่าไม่ไม่ว่าใครทั้งหมดก็รักฐานะรักชีวิตเหมือนกัน พุยกันต่อไปพระราชบุตรเฝ้าวิงวอนอยู่อีกวันหนึ่งแต่นาง น, นาคควิกาก็ไม่ยอมไปนางทูลว่าบุตราธินดาเขาหม่อมฉันทั้งสองเป็นเชื้อชาติมนุษย์ชิ้นพระองค์หากจะทรงเมตามหม่อมฉันแล้วก็ขอได้ทรงโปรดถนอมเลี้ยงดูว่าให้จงดีพระบ่าบุตรทั้งสองสืบเนื่องมาจากพืชทางน้าทางธาตุน้ำ เป็นชาติละเอียดอ่อนแล้วก็ถูกลมถูกแดดในระหว่างทางอาจจะสิ้นชีวิตได้ขอให้พระองค์ทรงพระกรุณาให้คนขุดเรือขังน้ำให้เต็มให้ลูกทั้งสองลงเล่นในเรือเนี่ยลงเล่นในในลงเล่นในลำเรือขณะที่เดินทางเรือก็มีน้ำนะเมื่อถึงเมืองคอนแล้วก็อคอยขุดสระปูกรณีสำหรับลูกจะได้ลงเล่น มพระองค์ทรงทำได้ดังนี้ลูกทั้งสองจะได้ไมมดลาบากเมื่อทูลดังนี้แล้วก็มอบลูกทั้งสองด้วยน้ำตาอาบหน้าร้องไห้คร่ำครวญแล้วก็หายไปในหน้ากบิภพลงไปใต้ดินฝ่ายพระราชุบททรงสมณัสอย่างแสนสุดสุดแส น, สนเลยเสด็จไปหาพาู้อมท ปัณดาหมาทั้งโป่งจะได้พร้อมกันอภิเศกพระราชบุตรนาทีนั้นเมื่อเสร็จแล้วก็ทูลเชิญเสด็จกลับพระนครพระราชบุตรจึงสั่งให้ขุดสระแล้วให้ขุดเรือ ย, ยกขึ้นวางบนเกวีนจะไม่นั้นมมีรถเชกวิ่งตากน้ำใสให้เต็ม <c oughs> แล้วก็แล้วลอยดอกไม้ต่างๆให้ราชบุตราราชินดาลงเล่นตามสบาย อมาดรับปฏิบัติตามรับสั่งทุกประการเมื่อถึงมณครแล้วก็ตัดสั่งให้ขุดเสาโปกรณีสำหรับเป็นที่เล่นสำราญของพระราชบทและพระราชิติดาตามที่นานากวีกาทูลมาทุกประการแล้วก็ทำตามงตอนนี้เรามาพบเต่าฉลาดที่แล้วมาเราพบนาคอยากได้ผัว ตอนนี้ท่านกล่าวว่าเต่าฉลาดนี่เราฟังชาดกลูกหลาดที่รักฟังแล้วก็จงอย่าฟังแต่เรื่องเต่าฉลาดนี่คุณจะพูดก็ไม่ได้มากเพราะมีเวลาแหลืสามนาทีเึงกล่าวว่าวันหนึ่งในน้ําไหลในเมื่อในเมื่อมื่น้ำไหลเข้าสาบโอกรณีมีเต่าตัวหนึ่งตามเข้าไปด้วย ปัญหาทางออกมาไม่ได้จึงเล่นดำลงไปอยู่ในสะก้นสะเห็นไหมเวลาที่พระราชกุมารและราชกุมารีเล่นน้ําก็โผล่ขึ้นมาดูทําให้ดังสมรต ก, ตกตกพระไทยกลัวที่พาเกินขึ้นไปเฝ้าพระราชวิดาพระราชวิดาจึงรับสั่งขึงข่ายจับเต่าตัวนั้นมาพระราชโอรส นัม ร, ราชินดาทั้งสองเห็นเข้าก็จําได้ยนดันได้ส่งทตำหนิเสียงเอ็ดอึงว่าเจ้านี่แหละที่เป็นปีศาจรา้ายในเห็นเต่าเป็นปีศาจไปซะแล้วพระราชวินดาจึงรับสั่งให้ลงโทษเต่านั้นให้หนักวิธีลงโทษทำยังไงนี่สนุกนวิธีลงโทษนี่นะจึงปรึกษาผู้อามัดผู้อามัดจึงปรึกษากันว่าจะลงโทษเจ้าเต่าตัวนี้อย่างไรมันจึงจะดี ถือว่าเป็นการลงโทษที่หนักที่สุดบางคนก็ว่าควรจะจับเต่าตัวนี้ง่ายาแล้วก็เผาไฟเอาสิเพราะันยังขิ้เล่เาชอบบางคนก็บอกว่าควรจะจับเต่าตัวนี้ใส่ครกแล้วโขลกตำให้ละเอียดบางคนก็ว่าควรจะใส่กระทะต้มถ้ามายคนหนึ่งเป็นคนเป็นโรค ก, กลัวน้ำไม่ใช่หมาบ้าน เป็นคนกลัวน้ำไว้น้ำไม่เป็นเขาพูดกันแบบนั้นเจ้าเต่าทำตาปริบ ป, ปริบๆนะที่บอกว่าเอาเอามาจาับเผาไฟเที่ยเจ้าเต่ากนนึกเออกลตายแน่เลยว่าไอ้เผาไฟนี่ไปไม่รอดตายแน่ตายแน่บางคนใส่โครกโครกไอ้ตาก็เสร็จกระดองก็แข็งไม่ไหวแล้วโครกไปโครกมาก็กระดองละเอียด องค์คนก็บอกว่าใสกระทะต้มโอโอีโอกครานีต้ตาบอกเสร็จมันร้อนแบบนี้ทนไม่ไหวอันดีจะหมายคนหนึ่งเป็นคนกลัวน้ำเพราะไหว้น้ำไม่เป็นเขาจะเสนอว่าควรเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาไปทิ้งในน้ำบนที่มีวางน้ำลึกๆที่แม่น้นยุบนามันจะได้พินาศ ไว้ในวังน้ำนั้นมันจมน้ําตายมันว่ายไม่ขึ้นหรอกทําโทษอย่างนี้ดีกว่าอย่างอื่นทั้งหมดเพราะว่าจะได้เป็นการทรมานมันให้การจะโขกเดี๋ยวก็ตายไฟเผาเดี๋ยวก็ตายทําอย่างอื่นเดียยเด๋ยวก็ตายต้มเดี๋ยวก็ตายทําอย่างนี้ให้มันสําลักน้ําตายมันจะได้สมน้าหน้าที่มันย่องเข้ามาในที่ห้งน้ำเป็นนวต่าว่าไงลูกหลานทีรัก เจ้าเต่าว่ายังไงเจ้าเต่ามันพูดได้แต่วันนี้ยังไม่พูดเพราะเวลามันหมดสําหรับวันนี้ก็ต้องขอเวลาลูกหลานก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ูลผลจงมีแต่แก่ท่านเจน้าที่สถานีวิทยุทุกคนที่เมตตาให้เวลาแล้วก็จงมีแใ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักสวัสดี